เราด้ ا ยหลาย ا ันَ ا س วการเจริญว่าแล้ ل เราสั่งมูซ่า ل ิบราฮิมว่าแล้วเ ا าสั و س u l t n نموذج إلى فرعون إلى فرعون وهما ن ا ق ص ا قالوا سحير كذاب فلم جاءهم بالحق؟ من عندنا قال ختول أبناء الذين, أبناء الذين أمنوا معرو ا س ت ح يونسَ هُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظ َ ل َ ا ل ٍ وقال فرعون ظ و ن ي أقتل موسى وليدع ربه إني أخافُ أ ي ُ ب َّ ل َ د ي ن َ ك ُ م ْ أَوَأيُّهِرَ في الأرضِ الفساد วِากล่าวมูชาอินนีอุตบิรับบีในทุกลมตะกะบิลลُยْุมิน لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرع. Yaktu muimanahu a t a q t u l u n rajulah. أيقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وياكذيبان ن ف ع ل ي ه ك ذ ب ه و َ إ ِ ي َ ا ك ُ م َْ ا د ِ ع ي ن َ و َ ص ِ ب َ ك ُ م بَعْضُ الَّذِيَ د ُ ك ُ م ْ وَإِنَّ اللَّهَ لا ي َ ه ْ د ِ ي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 ว่าชดว่า ا ะ ل ه ลลัลลอฮ و วะเพเพละว่าช ا ว่าอันมุฮัมมัดะเบ و ฺวะรษูลฺอาลลอฮฺณบิกะ ك าสบะห์นะวบ ح ي ك วบิ ن ะ و มุจฺวะอิลัยกะณูชูร์อ ا ت ุบ ل กะลิมัต ت ลลาฮฺ ا ามั بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصري اللهم فاتر السماوات والأرض عالم ا ل ل ه ب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أ ق ت ر ف على نفسي س و ا أو أ ج ر ه إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على شرط الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلما وما أن من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمنك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عيني ح ا م تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غ ا ف ا ل ز ن ب وقابل ا ل ت و ا ب شديد القابل ع للتولى لا إله إلا هو إله المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณลิลลพี่น้องที่ร่วมนมัสการที่มัสยิดอันวาลิซุนนะฮะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการสวรรค์ในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละใความเมตตาของอัลลอฮ สุภาณวูตาลาที่อัลลอฮให้โรคโควิดมาเนี่ยเพื่อการทดสอบนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้นึกถึงอัลลอฮเหมือนกับที่อัลลอฮได้ทดสอบในสมัยนบีมูสามลัิสสลามให้มาตั้งเก้าอย่างเพื่อให้คนในประเทศอียิปเปลี่ยนแปลง เหมือนกันเมืองไทยหรือโลกวันนี้อัลลอฮ์ให้โรคโควิดมานะเพื่อให้คนได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะมีเปลี่ยนกี่ค น, นวันลลอฮ์หวานขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เรามีโอกาสได้อ่านคำพีอัลกุรอานแล้วก็หาความหมายจากอัลกุรอานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ อย่างน้อยก็อ่านคุณอ่านแล้วได้ความรู้จะอ่านคุณอ่านก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาไปสอนต่ออีกนะครับพี่น้องเรามาทบทวนมาอ่านถึงสูรัตอิมุมินบางสูรัตเขียนว่าลอฟิรแต่คำแปลดีทั้งคู่นะมุมินแปลว่าผู้ศรัทธากอฟิร์แปลว่าผู้ให้ อภัยโทเป็นสิบัตของอัลลอมุมินมายถึงพวกเราเนี่ผู้ที่ศรัทธาต่ออังลลอฮฺจำนงตนต่ออัลลอฮโดยสิ้นเชิงวันนี้มาถึงอายาที่ยี่สบสาของสุราะอัลมุมินนะครับมุมินนสุลาะที่สี่สบนะ ولا قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الحمد لله ولا قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ทำดูลิลาดูคำแปลก่อนนะครับวารปาดแป ล, แปลว่าแน่นอนอัลซานาแปลว่าเราได้ท่งเรานี่หมายถึงใคร Allah. อัลลอฮฺอัลซานาเราได้รรไดดทงรงหรือเราได้แต่งตั้งแต่ทรงอันดีที่สุดแล้วเราได้ทรงหรือเราได้แต่งตั้งใครถูกไหมมูซานี่ชื่อของนบี นบีที่มาในโลกนี่ประมาณแสนสองมื่นสี่พันที่เอ่ยชื่อในการพีมพุรานยี่สิบห้าท่านที่ไม่เอ่ยน่มีเป็นแสนนะพี่น้องสังเกตนะนบีที่มาก่อนหน้านบี ม, ม, มุฮัมมัดเนี่ยเาแล้วเอ่ยชื่อหมดเลยนะโซาฮารูนยูซุฟอิลยิยาสยา แต่น บ, บีมุฮัมมัดคนเดียวนะที่อัลลอฮ์ไม่เอ่ยชื่อมฮัมมัดตรงๆเอ่ยตำแหน่งเช่นยาอายูฮัลมุซา ม, มิลยาอายูฮัลมุดดัสซิรโอคนที่นอนห่มกายเอ่ยยาอายูฮัลรอซูโอรอซูนของอัลลอฮ์ไม่เอ่ยชื่อมุฮัมมัดนะนี่เป็นการให้เกียรติเป็นการให้พูดตำแหน่งนะท่านนายกครับ แต่เนี้ยใ่ไมไม่พูดชื่อฉะนั้นนบีที่มาก่อนหน้านบี ม, มนี่อัลลอ์เอ่ยชื่อตรงหมดเลยมูซาทาอย่างนี้อิบรฮมทาอย่างนี้ใช่ไหมแต่นบีมุ h a นี่ยไม่เอ่ยชื่อยามุัม m m ตร ง, ต ร, งตรงมีม้หมไม่มีครับยา uh อายูฮาร์รอซูลโอรอซูลของอัลลอฮ์เอจงทาแบบนี้เป็นการให้เกียรติอ้าอธิบายอีกนิดหนึ่ง รอซูลหรือนบีที่มาก่อนหน้านาบีมุ h ั m m a d นั้ น, านกนารนบีมุ hammad นี่ไม่เหมือนกัน่ะที่ไม่เหมือนเพราะอย่างนี้นบีที่มาก่อนหน้านาบีมัดทั้งหมดยี่สิบสี่ท่านเนี่ยมาอัลลอฮ์ส่งไปสอนสาศาสนาเฉพาะกลุ่มาเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเพะกลุ่มแล้วไปสอนผิดกลุ่มก็ไม่ได้ด้วยต้องสอนตรองมีกลุ่มเดียวองานไม่เหนื่อยนะถ้าสอนกลุ่มเดียวเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยแต่นบีมุฮัมมัดไม่ใช่แบบนั้นทรงมาอยู่ในประโลกอาหรับก็จริงแต่อัลลอ์บอกว่าอัสลากอิลลารห์มตัลลิลอาลมีนเราต่งตางมุฮัมมัดมาสอนศาสนาคนทั้งโลกเลยยูนิเวอร์สใช่ไหมฉะนั้นอิสลามเนี่ยต้องไปอยู่ทุกประเทศแล้วก็นบีเสียชีวิตไปแล้วใครทำหน้าที่ก็พวกเรานี่เลย ช่วยกันทําหน้าที่นะครับไปทําอ้าไปไปไปไปไ ป, ไปออกจากบ้านทุกครัง้งเหนียดดาวอิสลามนะครับอย่าน้อยให้ให้คนได้กล่าวเลยเลยรออะไรคนขับแท็กซี่จะจากรอรอ ก, กันทุกคนใจร้อนตุ้ยให้ทําหน้าที่นั้นหน้าที่ของนบีมัมัตไม่เหมือนกับหน้าที่ของบรรดา น, นาบีที่มาก่อนๆนะ น บ, บีก่อนกนเนี่ยสอนคนเฉพาะกลุ่มแต่น บ, บีอัลกุมมัดนั้นสอนคนทั้งโลกเลยอัลฮัมดุลิลลใครเหนก็กันอ่าอุมมะของน บ, บีอัลัุมมัดเหนื่อยกว่าแต่ผลบุญเยอะกว่าอัลฮัมดุลิละละวลาก็ดอรซัลน์มูซาโดยแน่นอนยิ่งเราได้ทรงมูซา bia ยาทีน่าพร้อมด้วยส่งนบีมาแต่งตั้งนบีมูซามาเป็นนบีเอาหลักฐานสัญญาณต่างๆที่ที่มาถึงมั่งยิ่าต อ, อาญาหมาถึงมั่งยิ่าตมั่งยิ่าตที่นบีมูซาได้รับจากอัลลอฮ์นเก้ารายการ này. เอาเรื่องง่ายๆหนึ่งชักมือออกจากนั่นจากหน้า อ, อกมือสีขาว สองโยนไม้ต่พดที่ถืออยู่นี่ไม้ถือเนี่ยกลายเป็นงูแล้วก็เคยส่งปัญหาเช่นน้ำใ น, นำในมหาสมุทรเปเลือดหมดเลยแล้วก็เป็นกบตักเจอกบจากเจอเขียด <c> ่น <oughs> แบบโควิดในยุคปัจจุบันนี้เลนะอธิบายกระจาง่ายๆนะอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ได้ส่งนบีมูซามา มาพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราใช่ไหมของอลัลลอฮฺหมดเลยนะไม่ใช่เกิดเองนะฉะนั้นเพื่อจะเตือนพวกเราว่าทั้งหมดมาจากอลัลลอฮฺทั้งหมดโรคโควิดก็มาจากอลัลลอฮฺมัุษย์มันจะดัดแปลงยังไงก็เรื่องของเองแต่อลัลลอฮฺเหนือแผนกว่านั้วนะมีแผนเหนือกว่าที่มนันรุดได้วางไว้ฉะนั้นเราดูแลลูกไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาต่อมาครับวรรุลตอนสรรุษตอนแปลว่าหลักฐาน หลักฐานหมายถึงมีคำพีมาด้วยอ่ะน บ, บีมูซาได้คำพีอะไรอ่าใช่ไหมเตารออย่างนี้เป็นต้นชัดเจนน บ, บมมีมุฮัมมัดก็มีมีคำพีกุรนามีคู่มือมาด้วยมาสอนนี่นะครับพี่น้องมุบีนแต่ว่าชัดแจ้งหลักคำอยูลในลนี่เล่าให้น บ, บีมุฮัมมัดฟังเพราะน บ, บีมุฮัมมัดเผยแผ่อิสลามดีนครมักกะถูกรังแก ถูกนู่นถูกนี้เต็มไปหมดนี่นะเป็นการปลอบใจท่านนาบีมูฮัมหมัดรสลวนของลอเอ๋อร์มูฮัมหมัดเ อ, อ๋ยไม่ต้องไปเสียใจเยอะนะพวกของท่านรังแกท่านหรือตําหนิท่านว่าท่านไล่ท่านออกจากนาครมักกะห์ไปอยู่ที่นครบรินะ์มาต้องไปเครียดคนที่หนักกว่าท่านก็มีมูซาอันดายฮิสลาบต้องอพยพไปทีนี่สิบ ป, ปี คัามียังนี้เป็นต้นนะกติศาสตร์ของนบีมูซาอะสมาต่อมากับอิลฟิร า, านวหฮามันวะกอรุฟะกอรูสะให้รุมกันละอัลลอฮอักบัรเอชื่อหมุดเลยคนสำคัญสำคัญทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นคน ไม่เอาไหนอิลาฟิราอูนวละฮามันวะกอรุน فقالوا ساحرون كذاب Allah ส่งมูซามาพร้อมด้วยหลักฐานสัญญาณทั้งหลายและหลักฐานนั้นชัดแจ้งให้แก่ใคร นี่แหะฟีเรฮูนแกฟรฮูนในต afsir อธิบายว่าฟิเรฮูนนี่ยมันจะทำอั ด, รรดานสลบยังอยู่สลบยังอยู่แล้วพระชันจะรักษาในกัมพีกุอ่านจะรักษาร่างของฟาโรห์เอาไว้แล้วเราก็เล่ามารักษาจริงครับอยู่ในกัมพีกุอ่าน อลยมนุนจีกะบบบาดาลิกะวันนี้เราจะรักษาเพียงแต่ร่างของเขาเอาไว้ไม่ให้เนา่าเราจริงไหมจริงครับนี่ละิรานี่ละนะครับเอาต่อมาครับอีกคนหนึ่งว่าฮามานันอัลลอฮ์ฮามันนี่เป็นรัฐมนตรี ตำแหน่งก้าชิดเป็นที่ปรึกษาสารพัดโอโหนะต่อมาอีกอีกคนหนึ่งเอาเออเชื่อนะเฉพาะสามคนเองนะคนเลียวๆก็มีอีกแต่เออเฉพาะสามว่ากรอรูกอรู น, นี่เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นอะไรางกับบางทีบางทเา ก, ก็เล่าอ่ะพี่น้องชาวอาหรับเออเอ็งว่ารวยรวยนะ คนในยุค น, นบีมูซารวยกว่าคุณแข็งแรงกว่าคุณมีพวกมากกว่าคุณมีสารพัดมากกว่าคุณบลายหมดแล้วเอ็งยังมาอวดดีกว่าอ<ม>ัลลอฮ์นะเชื่อมูฮัมหมัดอ่าเชื่อรอซูลของอัลลอฮ์เจอต่อคุณจะปลอดภัยถ้าใครที่ขวางนะ เองก็อยู่ได้ตำแหน่งมีไม่มีมเงินมีชื่อเสียงมีโ ด, มด่งดังแต่อยู่ไม่กี่วันทั้งหมดจบจากนั้นคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลล์วันนี้อัลลอฮ์ให้อยู่หให้อยู่ยยกด็ดูฟารโรในตำแหน่งอะไรเป็นพระมหากษาัตริย์น้่ยแต่ลูกน้องเท่าไหร่พวกบนิอิสโรอีนที่มามหาเมติกินเนี่ยบนิอิสโรอีน เป็นลูกน้องนะแล้วก็เป็นเป็นทาสด้วยคือฟาโรมองว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็บริอิสราเอลทั้งหมดนะ่ะเป็นลูกน้องอนะ่ะถ้าปัจจุบันนี้นะประชาชนคือทาสผู้ปกครองคือพระเจ้าถ้ามองอย่างนี้เมื่อไรนะเอาลดลงโทษ แต่ก่อนจะลงโทษเอาไปเอาตำแหน่งไปเอาชื่อเสียงไปเอาเงินไปเอารถไปเอาที่ดินไปเอาระเบิดไปเอาปรมาณูไปทุกที่กับอัลลอฮ์ใครใครจะแน่กว่ากันแบบนี้เป็นต้นนี่จะอธิบายกันอย่างนี้นะแต่มากไม่ได้อะแค่ที่พ <laughs> ออีลาฟิรานอัลอลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีมาคนเดียวนะมูซาระ มุซาว์วชันไม่ไหวคนเดียวขออีกคนหนึ่งเชื่ออะไรนะฮารูน้ามาเป็นพีเลี้ยงสองคนมหาใครมหาฟิโรนใครอีกฮามานและใครอีกกอรูนสามคนพอมาสอนแล้วนี่อัลลอฮสรุปสั้นๆนะฟากอรูคนที่ต่อต้านอย่างนี่หัวหน้านะพูดยังไงรู้ไหมพูดไปการต่อต้าน ซาฮิรุนที่มูซานำเอามาสอนนั้นนะตะมอมมูซาเองเป็นนักมายากลตัวนี้เป็นมายากรพวกอะไรนะพวกมายากรนั่นและและอีกคำหนึ่งกาซ่านำเอาของโกหกมาสอนหมดเลยมองว่าคำสอนที่ผ่านนาบีเป็นเรื่องโกหก คำสอนที่ผ่านนาบีโกหกหมดเห็นไหมแล้วกโกหกหรือไม่โกหกเปน็นนอมพิสูจน์เองอ่ะถ้ากโกหกละฟาโร่จะจวนน้าตายแล้วคนที่ปลอดภยัยนบีมูซาแค่นะ้วันนี้ก็เหมือนการอิสลามเนี่ยตั้งแต่สมัยโน้นมาแล้วเนี่ยเอาล้อเล่านะให้เล่าให้ฟังบอกว่าคนมองอิสลามเป็นเรื่องหนึ่งเป็นมายากลสองคนโกหกเอาอะไรามาสอนเนี่ยปู่ย่าตายายเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน เขาเอาอะไรมามาทําลายหรือไม่เอาวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านที่ปฏิบัติกรรมาเป็นร้อยร้ยปีนั้นมาลบล้างอิสลามลบล้างได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าต่อสู้กันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ผลและบุญเป็นของกายเป็นของนบีทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้พุทธเตศอันนี้มาดูเรื่องฟิรงโรนนิดหนึ่งฟิรงโรนมีภรรยาชื่ออะไรชื่อนางอาซีย ตัวอลิฟนะอาซิยะถ้าเป็นตัวอินแปลว่าอาซิยะคำแปลไม่ดีผู้ทรยศแต่ถ้าอาซิยะเนี่ยไม่ใช่ตัวอีนนะตัวอลิฟคำแปลมมีไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นชื่อนะอาซิยะเป็นภรยาของฟาโรนี่บันทึกโดยอิมามอห์มัดละตอเบลนี รับรอกโดยเชคอัลบานีฮัดดษที่สามสามสองสามสันสรยี่สาจะฮัดีิสอธิบายคือนบีต้องการจะสอนอย่างนี้ในโลกนี้นะครับมีผู้หญิงทาวนิซาคอยรูนิซาอิลาอลามีนสตีที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะเองจะรับไม่รับเรื่องของเอง แต่เอาล็ประกาศให้นบีให้นบีมาสอนผู้หญิงในโลกที่ประเสริฐที่สุดมีอยู่สี่คนะนะก็เอาบันทึกไว้เลยเอาไปสอนต่อได้อีกเลยนะคนที่หนึ่งนางมารยยมม่มาของนบีอิสาอยาิสาลาเป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งของโลกคนที่สองแค้มท่านหญิงขอดียะภรรยาท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งของโลก คนที่สามท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวของนบีมุฮัมมัดเป็นสตีเบอร์หนึ่งของโลกของนบีมัมัสองคนแล้วนะ <c oughs> คนที่สี่นางอาเซียภรรยาของเฟืเอานพระยาตริศัที่เป็นรักอิสลามด้วยรับอิสลามนะ่ะสตีเบอร์หนึ่งของโลกสี่คนนี้มาเชคคนทรยศ ต, ต่อล้อนนะไม่มีใครดืกก้อกับล้อ เชื่อเอาล้อหมดเลยผ่านนาบีนบีนบีนบีนบีนบีอย่างนางมารยิยามเนี่ยเป็นลูกลูกชายใช่ไหมนบีอฮซาเป็นนบีแล้วก็แม่ล่ะแม่ก็เป็นชาวสวรรค์สิเป็นแม่ของนบีด้วยหลังดูแลแล้วยังมีเป็นตน้นฉะนั้นในโลกนี้มีผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดมีอยู่กี่คนสี่คนนอกนั้นไม่ใช่เอ็งจะดังกันนานัก็เรื่องของเอง็ง คนจะยกย่องให้เกียตรติก็เรื่องของเองแต่ที่เอาล่อรับรองมีกี่คนอาบะนะเอ่ยชื่อไหมนะหนึ่งนางมารยมบุตรสาวของอิมรอนมรของนบีไอซาอะเล็กซ์ลาบนบีไอซ่าไม่ใช่พระเจ้านาง ม, ม, มารยมไม่ใช่พระเจ้าแต่วันนี้มองนางมารยมกับนบีไอซาเป็นพระเจ้าไปแล้วผิดหรือไม่ผิดผิดขนาดผิดเอาล่อให้ตําแหน่งไป เอาผัดกระกหาดไปเอาเมียไปเอาที่ดินไปเอาเงินไปเอาปรมนูไปเอานี้เคลียไปเอาไปขอครองเอาไว้แล้วก็เข็นข้าไปน้า ม, มุสลิมเชิญตามสบายได้หรือไม่ได้ก็คใครดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับต่อมาท่านหญิงคอร์ดียะนะครับเป็นภรรยานาบีมุฮัมมัดนะคนที่สองที่สามมาหญิงฟาติมะจนรู้ว่าครอบครั ว, วรนบีนสองคนนะคนที่สี่นางอาซียะ ภรยาของเฟรนอว์แต่ฟินอว์ในใจรายนะเมื่อเมื่อภรยารับอิสลามผ่านนบีมูซา่าเนยพอลู่ข่าวนี่ยมันจะเอาเหินทู่มมาคนไม่มีอิสลามอย่างเดียวนะฆ่าใครก็ได้แต่ถ้ามีอิสลามจะกล้าไหมอ่ะมันไม่กล้าฮัาลโหลบัลบาจะเข้าของน้ำโดยเท้าซา้ายจะคอายยกนึกนะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยน บ, บีสอนยังไงน บ, บีสอนยังไง คนมีอม م ا นมันกลัวอัลลอฮ์ไม่ตลอดเวลาอาต่อมาครับก็รู้นี่รวยนะแต่อัลลอฮ์ให้แฟนเดนสูงรืปป่องอไรพราะคุยไนงะตะกะบุตรเงินที่ได้มานี่ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์นะเพราะสติปัญญาความรู้ที่ที่ฉันมีเองฉันรวยเพราะคิดเองอะไรเองอัออลลอฮลจะรอมันไส้นะ่ะแล้วก็ไปความอิสลามดีนะ ขวางได้สำเร็จไหมใหม่ๆนี่ขวางได้ระยะหนึ่งผลสุดท้ายอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบเห็นยังครับเอาต่อมาครับอายะที่ยี่สิฟะละม์จเจอะอุมบิลฮักติมิ น, นดินนากาลุกตูลูอับนาอัลลัดีน่าอัมานูมาห์ ت ح ي ا ن س ا ء هم وما ك ي د ُ الكافرين إلا في ظلل فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو أبناء الذين آمنوا มาฮ์วัสตายุนิสาฮุมวะมะไกดุลกาฟิรินอิลลัฟิอัลอัลฮะม์อัลฮะม์ในความรู้เต็มเลยนะครับมนเเลยอัยานีอัลลอฮอัคราบมารยาทของฟิรูฮุนเลวอย่างไร มันจะชมนะ <c oughs> นบี ม, มุฮัมมัดนี่ถูกวางแผนฆ่าใช่ไหมมุฮัมมัดนาออกจะมา ก, การนาถ้าไม่ออกเองตายนาบีก็เสียใจอ่ะเนี่ยรอบ ก, ก, ก็บประทานกุนฮานลงมาให้นบี ม, มุฮัมมัดเล่าเรื่องฟารโรในสมัยนบีมูซาให้นบี ม, มุฮัมมัดฟังคือนา้นปลอบใจนะอ้าว ป, ปลอบใจยังไง เวลามาจาอาฮุมขั้นเมื่อมูซาจาอาฮุมได้มายังพวกเขาได้มายังเนี่ยกอรูนฮามานฟิรโรนและบเนอิสรออีนที่ต่อต้านนบีมูซาทั้งหมดนี่นะนำาอะไรมาครับบิลฮัก น, นำเอาความจริงมาสอนเอาสัจธรรมมาสอนเอาคาสอนที่มาจากอัลลอฮ์เรียกว่าฮักกุลทั้งหมดต้องเข้าใจไงเข้าใจง่ายๆนะฮักกุลหมายถึงสัจธรรมนบีมูซานำเอาสัจธรรมมาเอาคำพี่ตร้อนมานะ่แล้วมัวยิ่ศาสอีแดเก้ารายการอีกมาให้มาให้ม า, ใ ห, มาให้ฟิโรนะมาให้ปอรรมาให้ฮามานมินเอนดีนะ จากเราอัลลอฮฺอัลบาจากอัลลอฮ์ใชอัลลอฮ์ Allah, เล่าให้นบีฟังไม่ทิ้งอัลลอฮ์เลยอยมายงนี้มาจากอัลลอฮ์นะสัจธรรมมาจากอัลลอฮ์นะเป็นความจริงมาจากอัลลอฮ์นะกอลูพวกเขาเกล่าวว่ามาถึงกอรูนก็พูดฮามานก็พูดแล้วก็ใครนะฮามานกอรูน เเอาู่ดเหมือนกันของนั่งประชุมกันเนี่ยจะเอาอยัางไงกันอุกตูลูท่านทั้งหลายจงฆ่าเห็นไหมพัวเรื่องฆ่าฆ่าเนี่ไม่ใช่เพิ่งมีในสมัยนี้ที่บรีสุทิสรอยินวางแผนฆ่ามุสลิมอ่ะไม่ใช่เพิ่งมไม่ใช่เพิ่งมีมีมาตั้งสมัยโน้ลแล้วจงฆ่า อกตุลูทำต่างหลายจงฆ่าฆ่าใครรู้ไหมอบานาลูกชายลูกลูกที่เป็นผู้ชายทุกครอบครัวที่เกิดมาในยุคใครที่เป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายลูกผู้ชายลูกชายไปสํารวจ ด, ดูไปเช็คดูสั่งคครสรั่งทหารเอาทหารออกไปตรวจตามบ้านตามซอยตามถนน บ้านใครบ้างที่คอดลูกออกมาเป็นผู้ชายฆ่ามันให้หมดอัลลอฮฺนาอามนุบรรดาผู้ศรัทธาเห็นไหมเลือกฆ่าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอเท่านั้นใครที่กาบดวงอาทิตย์ไม่ต้องไม่ต้องไปฆ่ามันใครที่กาบลูกเจเวตปล่อยมันใครที่กาบฟิอิปน์ปล่อยมันถ้ากาบอัลลอกาบมูซา เชื่อมุสลิ่าให้หมดเลยโดหดได้ไมโหดนี่เอาลอเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องเกา่ารู้กี่พันปีมาแล้วว่าคนอายุก่อนในใจโหดขนาดไหนสั่งฆ่าลูกเขามากกูรานอธิบายดีนะการสั่งฆ่าเนี่ยสองครั้งนะฟาโร่นี่สั่งฆ่าเด็กผู้ชายนะสองครั้ง ครั้งแรกเนี่ยหมอดูมาบอกว่าฟาโร่ตำแหน่งเองนี่นะจะมีคนขึ้นมาแย่งนะพอหมอว่ากันเชื่อหมอเลยถามว่าเชื่อหมออิสลามห้ามไหมห้ามเชื่อหมอดูนี่ห้ามอ่ะหมอดูว่าไงก็เชื่อหมดเลยเ น, <c oughs> น, นียในโลกใบนี้ก็ไหมกันระดับใหญ่ๆนี่เชื่อมีหมอดูประจาตัวอ่ะ ดูเรื่องดูยามอิสลามห้ามหมดเลยนะอย่าไปดูเรื่องดูยามเชื่ อ, อนบีคนเดียวพอแหละนบีสั่งอะไรเชื่อตามนั้นปลอดภัยที่สุดครั้งแรกเนี่ยตอนมูซายังไม่เกิดตอนนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองนะมูซามาแล้วนะก็ะสั่งฆ่าคนที่สั่งฆ่าคนนะโทษหนักเลยไม่นานนะโหเราอยากจะดูหน้า ไอ้ฟ้าหน้าฟาโรห์มีแล้วเนี่ยจะอยู่นวันเกี่ยมา น, นี่อัลลอฮ์จะลงโทษยังไงนะจะได้สะใจนะอ <laughs> ุกตุ ล, ออ ล, อลอูอบนาอิบนุนอิบนนุนอบนาแปลว่าลูกๆชายของบรรดาอาลลอฮินะมนุลูกลูกของครอบครัวที่มีอีมา ن ต่ออัลลอฮ์มาอหูพร้อมกับมูซ่าจับมูซาฆ่าด้วย แล้วก็เด็กๆที่เกิดมาครอบครัวที่อีหมานต่อเราจับฆ่าให้หมดนี่ใครสังรส่งฟาโรสั่งฮามานสัง <c oughs> <c oughs> ส่งกอรุสั่งดูนี่หนักมเนี่หนักหน้าเอาต่อมาครับแล้วก็เอาไว้ชีวิตใครวัสตหยูนิซหุมและอิสตหายูแปลว่าไว้ชีวิต นิสาอาุธลูกสาวลูกผู้หญิงไว้ชีวิตผู้หญิงฆ่าผู้ชายไว้ชีวิตลูกผู้หญิงทําไมยกเว้นอะ่ะเอาเด็กผู้หญิงมาเป็นเมียก็ได้บำเรอความสุขเมื่อไหร่ก็ได้เอามาเป็นทาสก็ได้เอามารับชายด้วยเอามากดขี่สารพัด เขามองคนเป็นสัตว์มันจะมองคนเป็นบาวอัลลอเป็นยังครับคนที่มองคนนี่นะเป็นทาบเป็นคนชั้นสองนะเองถูกหมดนะวันนี้ก็เหมือนกันนบีประมัดเลยสอนใครที่มีลูกน้องเป็นคนทำงานในออฟฟิศท่านในบ้านท่านในบริษัทของท่านมีลูกน้องวันสิบคนร้อยคนหรือ1000ันคนอะไรก็ตามแบบ แล้วมองลูกน้องเนเป็นท่านะเองทำบาปอย่างแรงแต่โรงงานเปิดได้ไมั้ยเปิดได้เจอนายพลยไปนี่แต่บา บ, บุใบเล็กๆน้อยอ่ะเจอนายเปิดไปถ้าเองดูถูกคนงานเมื่อไรมนาะเองถูกนะถ้าตัเปลี่ยนนิสัยให้หมดซนะเอาสูนา่านาบีมาใชา้อ่าจะไปดูถูกคนให้นึกอย่างงี้นี่นาบีสอนนะครับให้นึกหนึ่ง คนงานที่มาทํางานให้เราเนี่ยเป็นพี่นออ้ อ, อ, 2, อ, น อ, งนนองของเราให้ทำหกข้อข้อที่สองอัลลอฮ์ส่งมากเป็นพี่น้องของเราอัลลอฮ์ส่งมาเราประกาศหนังสือพิมพ์ก็จริงให้คนมาทํางานเนี่ยไอ้คนที่มาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมานะอย่ามองเป็นทาสนะมอเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นพี่น้องสองอัลลอฮ์ส่งมาอันที่สามเลี้ยงดูเขาให้เขากินอาหาร เรากินอะไรใ ห, ให้ให้ลูน้องกินเหมือนกันให้เสื้อผ้าเขาใส่ด้วยแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยอย่าใช้งานหนักจนเกินไปมีใครสอนแบบนี้ในลกูกไห ม, มไม่มีเี๋ยวมาสอนนะความรู้มาจากพะว่าลแล้วข้อที่หกนี่นะถ้าให้ทำงานหนักเนี่ยเขาหนักเกินไปรวมไปช่วยด้วยถ้า ใครที่ปกครองลูกน้องแบบนี้นะบรารักัดอ่าโรงงานก็มีบรารักัดลูกน้องก็มีบรารักัดออฟฟิศคุณมีบรารักัดบ้านคุณมีบรารักัดเพราะเอาคําสอนของท่านของอัลลอฮฺผ่านนาบีมูฮัมมัดเอามาสอนละฟาโรเป็นยังไงอัลลอฮฺนี่เก็บภาษาไว้หมดเก็บเรื่องเล่าความอะไรนะความความชั่วนะเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังนะ่าแต่ขนาดไหนนี่อย่างนี้เป็นต้นกน วัตสุดท้ายว่ามาไกาดุลกาฟินกลายเุ็นคำว่าแผนการเห็นไหมที่วางแผนชั่วชั่ว ช, วช่วนี้นะคะือว่าแผนการชั่วอัลกาฟินผู้ปฏิเสธนี่เรียกฟาโรห์ว่าปฏิเสธเรียกหามานต์กอรุพวกปฏิเสธแผนการของพวกปฏิเสธนั้นไม่ได้อะไรอิลลามาแปลว่าไม่ไม่มีอะไร ไม่สามารถทำอะไรได้อิลแลนอกจากฟีบลาอยู่ในความล้มเหลวสั่งได้ลงมือทำแต่ทำไม่สำเร็จเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราอยู่กับอลรถดีกว่านะใครวางแผนทำลายอย่าลืมนะถ้าเราตายลูกเราตายเพราะถูกฆ่าจากผู้นำลูกเราตายเหียด อย่างนี้เป็นต้นฉันทำมิอิสลามอยู่ในใจเนี่ยไว้วางใจในอัลลอฮ์ขอดุทิศต่ออัลลอฮ์อย่าลืมนะอัลลอฮ์บัดเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านครบกูอ่ญญานอายาหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะเออขอยนะตุลไม่ใช่สิจบมาถึง ข, อขออ้อยนะอ่าภาษาเราว่าไงนะ แอลกอฮอล์โบราณเราจะนาจิต ah ความกลัวเนี่ยจุกมาถึงคอหอยหัวใจของเขาจุกมาถึงคอหอยอธิบายคือกลัวจัดอ่ากลัวจัดคือในสมัยนบีนี่ถ้ากลัวในโลกอาคีอรอก์กับกลัวบนโลกดุญยานี้ไม่เหมือนกันถ้าใครที่ทำตัวเร็วๆแล้วก็หัวใจของเขามาจุกที่คอหอยนี่นะ ตัวช่วยไม่มีในคดีสอธิบายอย่างนี้นะครับในสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีการสงครามเกิดขึ้นสงครามเนี่ยเรียกว่าคอนดั้งหลุมเพราะสาวบ้านาบีมีจำนวนน้อยศัตรูถล่ม <laughs> มีทางอา ว, วุธเต็มไปหมดเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสาว บ, าาบ้านบีกลัวก็มานาบีววยาระซูลลลอฮ อแล้วก็ฉันจความกลัวมาถึงก็ห้อยกันแล้วมีอะไรช่วยบ้างไหมอาบว่ามีตัวช่วยมีอัลลอฮ์ทุกคนดีใจหมดเลยอ่านดวอาบทนี่อัลลอฮุมัสตูรอูรอตีวาอามินเราอัตีมาสประโยคอัลลอฮุม um ัสตูรอูรอตี ว่อามินเราอารติแปลว่าโอ้เอาล็อกอดคุ้มครองเอาร็องของฉันอวัยวะของฉันทั้งหมดแล้วก็คุ้มครองความกลัวของฉันอย่าให้ฉันฉันมีความกลัวมากพูดแค่นี้เองอัลลอฮุมมัสตุลเอารอตีว่าอามินเราอารติพอพูดจบอลัลลอฮ์ทรงมาช่วยลมพายุมาเลยพัดเอา กอลมังถ้วยจานกระเด็นบนละคนจะเหลือเหรอน ย, ยังนี่อัลลอฮ์ช่วยฉะนั้นอย่าลืมอลัลลอฮ์วลามีปัญหากลัวเกิดขึ้ น, นให้นึกถึงอัลลอฮ์อลัอลอลอ์บฉะนั้นดูอารีอ่านได้ไหมได้อัลลอฮมัสตูลเอารอติวะอามินเราอารีทาณพระเจ้ามาตกี้กาน ตอนต ป, ประเชุมนี้อัลลอฮ์มักฟินีมมบปเนียดายีว่มิมขลฟีว่อันยามีนีว่อันชิมัลีว่ามิมฟาอุีว่าอามุบีอัลล์ต้องอานทุกวันวะละวละชาวเย็นนต้องอานทุวันุวันขอความคุ้มของจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลหลุลงว่าแผนการที่ฟารโรห์สั่งให้ฆ่าคนสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับวัดสุดท้ายนะ่ ว่ามาไกดุลกาฟิรนแผนการของพวกเขาไม่สำเร็จนอกจากความล้มเหลวแผนการชั่วช่วที่เขาวางแผนเอาไวทา้ทำลายคนนั้นทำลายคนนี้นะไม่สำเร็จกับเาลาคุ้มครองหมดเลยครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะยี่สิบหกว่ากาลฟิร์ห์อู زروني أقتل موسى و َ ل ي د ع ُ ربه إني أخاف أ ن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذ ر و ن ي أقتل موسى واليدعو ربّ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد <ت ص في ق> الحمد لله الله ไม่มุสฟาร์นี่เหลือเกินอามนี่อัลลอฮ์แช่นะ ฟารโร่พูดอะไรในวันนั้นอลก็จับมาเล่าดังกีตารอ่านหมดเลยให้นบีมุงก็มาฟังให้อุ ม, มาให้พวกเราฟังวันนี้ว่าฟาโร่เนี่ยมันเลวยังไงและมันดียังไงว่กาก่อนฟิรอนฟิลโอนกล่าวว่าซาโรนีจงปล่อยฉันซาโรนีแปลว่าจงปล่อยฉัน ทำอะไรรูไ้ไอับุลฉันจะฆ่าฆ่าใครมีชื่อเยด้วยมูซาจารู้นี่อับุลมูซาปล่อยฉันฉันจะจัดการกับมูซาเองโอ้โหในวังฟาโรประกาศแบบนี้แหละจะเหลือเหรอคนทั่วทัวไปมองเหลือได้ไม่เหลือไม่เหลือครับ แต่เราเล่ามาให้ฟังว่ามาัดไม่ต้องกลัวฟาโรประกาศมาแล้วนะอับตุลโมซ่าดะรูนีอับตุลโมซ่าปล่อยฉันฉันจะฆ่าโมซ่าแล้วก็ประโยคต่อไปดูถูกดูอาอีกวายยาดาวดาแปลว่าขอพรจงให้เขาขอ ขออุทิวาลายาดาวอุอิยาดาวนะให้เขาขออุกับใครรอบบาหูยังดีอย่าพูดถึงเลาล่อนะให้เขานั่งขอดุทิพระผู้อาภิบาลของเขาไปเถอะเหมือนก็จะพูดว่าอุทิมันมีอะไรไปเดินตามมูซาอยู่ได้เป็นนักมายากลนำของผิดๆมาสอน เห็นไหิไดาใครดานบีมูซาอะลัยฮิสลามเห็นไมแต่คนที่ดานบีแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนกันสุนาขนบีเข้าสู่เราชันไม่ได้อย่าเข้าสู่เราชันนะฉันไม่เอานะฉันเอาประเพณีปฏิบัติมาแทนสุนัขนบีครับระวังระวังที่นอให้เลิกให้หมดนะนะวันญาติเรบบาหลับเบให้เขาขอร้องพระผู้อภิบาลของเขา ไปเถอะในภาษาผมนะให้มูซานั่งขอทุกอาไปเถอะจะเป็นในรูปนามาตรรูปยกมือไม่ยกมือรูปสู้ยุทธได้หมดนั่นแหละใช่ไหมตลงว่านี่ฟาโรนี่คุยนะอรอเล่าพฤติกรรมเลยฉันจะฆ่ามูซาเอง ปล่อยให้เขานั่งขอดุทิศต่อพระพู้อภิบาลของเขาไปเถอะเป็นการดูถูกดูอาของใครของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺสั่งลบีมูซาแล้วคนที่ดูถูกดูอาเป็นไงครับวันนี้มีไหมมีครับน บ, บ, บีเลยสอนน่ะถูกครั้งจะไปไหนมุสลิมนึกถึงดูอาหนาะจะออกจากบ้านนึกถึงดูอานาะจะร่วมหลับนอนนึกถึงดูอาก่อนหนาะจะเข้าห้องน้ำนึกถึงดูอาก่อนหนาะ จะขึ้นรถนึกถึงตัวอาก่อนนะเพราะเราเป็นคนอ่อนแอถ้าเองเย่อหยิ่งจองหองแบบฟาโรนะดูถูกุัวอาเองเจอนะชาดไวอีกเรื่องหนึ่งแท่นั้นแหละและ้วฟาโร่พูดต่ออินน ah ีอาคอบแท้จริงฉันกลัวอาคอบแปลว่าฉันกลัวไออยู่บัดดีลนะ่ะบัดบัตเดล่ะที่จะเอามาเปลี่ยนนะ กลวว่ามเสาเนี่ยนำเอาความรู้จากอัลลอฮ์มาเป็นความรู้ที่โกหกเป็นนักมายากลมายากลเนี่นะเอามาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนได้นะดีนั ก, กุ้มศาสนาของผู้คุณคือฟาโรห์เนี่ยเขาสั่งให้คนในสมัยกราฟาโรและฟาโรมาวันนี่เป็นศาสนาที่ถูกต้องเพราะนั้น ศาสนาความคิดที่มาจากคนเป็นศาสนาไหมไม่มีจะเป็นศาสนาได้มันต้องมาจากอัลลอฮ์ผ่านนาบีเท่านั้นถึงจะเรียกว่าศาสนาถ้าผ่านคนละคนนี้ไม่ใช่นบีเป็นศัตรูของ ok, อัลลอฮ์เองเข้าใจผิดว่าเป็นศาสนาเหมือนกระเตื้องโเราวันนี้มกันประเพณีปฏิบัติที่ได้มาจากผู้ใหญ่เนี่ ย, ยนะไม่ใช่ศาสนานะจําำ ม, มาไว้นะ เองเข้าใจผิดอาพอเอล่านิดหนึ่งมไปนามาจนาดาในะที่แห่งหนึ่งพวกเรามานามาจ ก, กันเยอะพวกสรลบันโว์แต่ที่เรากังวลนะัู่บุรีหน้ามัสยิดอัคลากไม่ดี น้าวัดเขายังไม่สูบกระเลนะือกแต่นี่หน้ามสัสยิดของอัลลอฮ์ในสูบุรีได้ยังไงไม่มีใครสอนนไปพวงเรื่องท่านต้องรักษาอันนี้ไว้รักษาแต่เรื่องบิดานี่เรื่องอะไรนะเรื่องสูบุรีในหน้ามันหน้ามสัสยิดจะเข้าสู่เราอยู่แล้วนะั่นสูบุรีเต็มบปหเลยนะและพวกสระบานสวยนะมึงพ้าสมาลินได้อย่างดีประเทศดินีเซนะียกัน แล้วก็ทามาไมมีใครสอนม่มีใครเตือนอย่างนี้เป็นตัวเอาแตะนิดเดียวพอนะฉะนั้นคามองเป็นว่าอันนี้ประเพณีปฏิบัติในเรื่องดีทั้งหมดนะอย่างนี้เป็นตนะครับเอาต่อมาครับอินนีอออยุบดละดีนกุมแจริงนี่มูซาพูดอาเจนะฟาโรพูดนะฉันกลัวมูซ า, าจะมาเปลี่ยนหรือ เอาอ ย, ยุฮิรหรือมาก่อการอัลฟาซาดเสียหายฟิลอร์ดีบนหน้าแผ่นดินฟาโร่กลาวว่ามูซาจะมาเปลี่ยนสองตัวจะก่อความบุญไว้ตัวมันเองจะหาใคก่อความบุญไว้แไม่สำนึกตัวเ <c oughs> ขาจใจพิดว่าตัวเองก็ะทำถูกต้องแ ล, ล้วรอหน่อยยังครับ ถึงกระพูดอ่าอย่างนี้ประเพณีปฏิบัติที่ทํทำกันมาเป็นพันๆปีร้อยปีนี่นะเปลี่ยนยากเวลามันฝังลึกลงไปในอะไรนะในในเส้นเลือดเนะี่ยเปลี่ยนยากนี่เหมือนกันเนี่ยต้องการจะเตือนนะฉะนั้นฟารโรห์มองว่าของที่เขาสั่งให้คนมากราบเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องสั่งฆ่าผู้ชายเป็นสิ่งถูกต้อง วัยชีวิตผู้หญิงอาศัยพฤติกรรมที่ถูกต้องเข้าใช้ผิดหมดเลยแล้วก็ไปรอดไหมไม่รอดครับเอาลอดลงโทษเก็บทีละคนละคนละคนละคนละคนในคุณอานในยาอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับกัสบัลลอฮุละอัลลิบันนะอานาวารุซูลีในสุรามุจาดาลัลละอายาทีจีสิบเอ็ดอัลลอฮฺ at, จะจะชนะ <laughs> บรรดารอสูลของอัลลอทุกคนจะชนะหมดเรื่องแพ้ไม่มีสบาจใจไห้ยต่เราก็ต้องชมรัฐบาลไทยนะที่เปิดโอกาสให้มุสลิมทำประกอบศาสนาแบบอะไร น, นะแบบอิสระถ้าทำแบบฟาโรยุ่งนะ <c oughs> ขาวคนในหลวงนรบอรเก้าบรสิบอัลฮัมดุ ล, ล, ออลิลลาห์มัสยอัลลอฮดีต่อมาคับอายาที่ี่เจ เมื ك و ك و ่อนบีมูซาถูกคู่คู่ฆ่าแล้วทำยังไงวะพอเลมูซาอินนีอตุบิรบบีวะรบบคุมมิุลีมุตับรลาอูมินุบิมิลฮิซบอัลลลาิเป็นสนตอนคสอนที่ดี ว่าข้าว่ إ โมเสออินนิอุตุบรับบีวารับบีค م มมิ่งคุลิมุตะกับบิร์ลายุมิโนบิอุบอัลข่าวว่าฟาโรห์จัดจะสังสามคนมาฆ่า สิ่งแรกถึงนบีมูซาบอกแล้วมูซาอัลล์เล่าเลยมูซาพูดว่าอย่างนี้ขอดูอ า, อ, าอินนีอุสตูฉันขอที่พึ่งฉันขอความคุ้มครองเห็นยังนี่คือถามออกฉันขอความคุ้มครองอัลลอฮ์เล่าเองานาบีมูซาพูดอย่างนี้นบีมูซามาก่อนนบีมุฮัมมัด อัลล์ล่าวาขนาดมูซาอ่ะอัลลอฮ์สวมมวจิษา์มาตั้งแ9ดเก้ารายการย้ำขออุอาพึ่งอัลลอฮ์อยุสโตฉันขอพึ่งใครครับบีรอบบีพระผู้อาภิบาลของฉันแล้วก็ต่ออีกว่ารอบบีกุ้มผู้อาภิบาลของพวกคุณด้วยแต่พวกนี้ไม่เข้าใจฟาโรห์ไม่เข้าใจเข้าใจผิดว่ามูซาเป็นคน ไม่ดีอ่าเป็นมายากลนำเอาเรื่องผิดผิดมาสอนนี่เอาล้อเล่าเลยนะครับเพื่อจะเตือนพวกเราวันนี้ก็เตือนมุหมัดด้วยเวลาเจอปัญหาเดือดร้อนเนี่ยอย่าทิ้งอัลลอฮ์นบีสอนอย่างนี้นะครับอันอับดมูซารดิยัลลอฮุาลลอฮุอันนับนบีสุลลัานนาสลมสุลลัม ก, อกรอกาณาอิราข้อฟากเกามันเมื่อยุคปัจจุบันนี่นะ ถ้ากลัวคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจะมาทำร้ายเราจะมาแกล้งเราจะมาฆ่าเราให้ขอดุดมอาว่าย่างงี้อัลลอฮุมอินนาเนจัลูกะฟินุฮูริหิมวานาอูซุบิกะมินซูรุริหิมนี่เป็นดุดาที่หลายคนโทรศัพท์มาหาผมเป็นนักการเมืองใหญ่คนูนึนงเป็นมุสลิม โทรศัพท์มาท่านขอดว่าผมนี่มีคนวางแผน <laughs> จะฆาผมก็อ่านดูอีกคอัลลอุมนะพี่น้องท่านอัลลอุมอิน่าน้จัลูกะฟินูฮูรีิมวะนาอูซุบิกมินชรูรฮโออัลล์โปรดให้อัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่ที่คอหอยเขาที่ลูกกันดีกข่าเขา อัลลอฮฺมาอยู่ในลูกๆกระเดี่ยงแล้วกลอดภัยใช่ไหมกลัวแล้วเนี่ยประมาะแล้ววานาอูรุบิกะมินซูลิฮ์และฉันขอความคุ้มครองจากความชั่วของเขา่าให้ถึงเราอันดูอาบนนี้และอีกอ่านอัลลอฮมุสตูนอรอตว่าอามินเราอาตีเนี่ย um สองประโยคเด็กน้องอ่านไปอ่านมาอ่านหลายๆเที่ยวอัลอดูอาทิ้งได้ไหมดูอาทิงทิ้งทิ้ง จริงไม่ได้ต้องขอดยู่อ่ะอัลลอฮ์แค่ฝนตั้งเข้ามาเนี่ยก็ต้องขอแล้ว<ส>มีสองประโยชน์นึ่ยอัลลอฮุมมาไซบันนาฟิอันอัลลอฮ์ให้ฝนตกมามีประโยชน์และอีกว่าปหนึ่งถ้าไม่เอานะอัลลอฮุมมาฮาวาไลนะวาลาอะไรนะอัลลอฮ์อยากให้ไปตกที่อื่นอย่าตกตรงนี้ แต่ผมจะขอเนี่ยอลัลลอฮ์มหาวาไลนาวาลาอะไรนะารนะเรื่อยอลัลลอฮ์จ่ายอยาให้ตกตรงนี้เลยรพอวันอาทิตย์อย่ากตกนะคนฟังตับเส้นไม่ได้อัลลอฮ์กระหม่อมามาตลอัทำอยุ่งนี้เลยสังเกตนะสังเกตนะลมพายุมาก็ต้องขอความคุคม้มครองจากอัลลอฮ์แต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็ต้องขอจอากอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะให้ให้ภรรยาเอาอัคลาส่วนดีมาใช้ ส่วนไม่ดีอย่าเอามาใช้ขอทูอ้อนวอนหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเอาตัวลงว่าน บ, บีมูซ่าขอทูอาอนวอนขอขอใครขอจากอัลอลอฮ์อิ น, นีอัสตูและฉันขอความคุ้มครองบิรอบบีจากประพูด อ, อาไบาลของฉันวารอบบีกุมแล้วก็พุ่ยบาลของท่านทั้งหลาย จากใครหรือไหมมิงกุลลีจากทุกๆคนที่มุตะกับิบดผู้ญิงพยอะคนที่วางแผนฆ่าคนเนี่ยคนดีหรือค น, ค น, ค, นคนไม่ดีแต่ละคนมุตะกรบเบ็ดคนหญิงพยอมจอมหองอวนดีความจริงมาถึงหน้าบ้านแล้วปฏิเสธความจริงฉันไม่เอาเราจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยไอเรื่องอย่างนี้มันผิดนะ่ะ แต่สมองมันไปไม่ถึงวันนั้นน่ะสมองมันเล็กแแค่นั้นแล้วก็ติดตามการเมืองน่ะนะติดตามการเมืองบางคนก็พูดจาดีบางคนก็เอ๊ะสมองเอ๊ะแค่นี้เหรอเล่าเนี่ยนั่งอยู่ซลเราเองซาวาจะคิดมากกว่าคิดดีกว่าเองแต่เราพูดไม่ได้กันนั่งฟังเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับมิงกุลีมุตกระบิรินทุกทุก ผู้ที่เย่อหยิ่งจองหงแล้วก็ความช่วยอีกข้อหนึ่งลายุมินูเบียวมิลไฮซาคนที่มุตกา ร, รบริดอีกข้อดึงที่ใหญ่ที่สุดที่เอาอกล่าวนะลายุมินเขาไม่ศรัทธาเบียวมิลไฮซาวันชำระบัญชีวันไหนวันเกียมาเนี่ยใครที่ไม่เชื่อว่ามีวันเกียมากนะ นั่นถึงคนตะก บ, บุตรหมดเลยหนักเลยไหมหนักห น, กนักครับคนที่ไม่เชื่อตายแล้วฟืนะ้นไงตายแล้วตายเลยนั่นแหละหมตะุตกรรมบิดฉะนั้นนี่กอานอธิบายเลยไงฉนั้นคนที่ไม่เชื่อลายุมีโนบิยมามิไนซาคนที่ไม่เชื่อว่ามีวันคิดบัญชีคนนี้เป็นคนที่มตุตกรมบิดคนอะไร เยอะยิ่งจองของดีหรือไม่ดีไม่ดีครับอาอ้ญญายสุดท้ายครับรยี่สิบแปดควาโกลาโรโลุนอังนี้ผมให้ดูอาดีกว่านะดูอาครับท่านนาบีสอนบอกว่าคอยรุดดูอาการดูอาที่ดีที่สุดอ่านบทไหนดีที่สุดคือดูอาในวันอารฟะ แล้วก็ว่าคอยรู้มากุลตุและสิ่งที่ฉันพูดอยู่เป็นประจำอานาวันนบียูลฉันและนบีคนก่อนที่มาก่อนหน้าฉันเนี่ยนะมิงกอบลีว่าประโยคนี้ละอิลลลลฮฺอูฮฺัลฮะฮฺวะฮดอูฮละชริกะละละห์ลมุลกฺวะละห์ลฮฺมดฺวะวะดาร์บุลชัยม์ก็ดีประโยคนี้ประโยคเดียว ฉันพูดประจำและบรรดานาบดีที่มาก่อนหน้าฉันก็พูดแบบนี้ทุกคนอะไรครับลาอิลลาฮิลลอฮะฮลา ش ر ุ ل ا له ا ل ว و ل ك و ل ล الحمد و َ و َงตรงว่าตอนเช้าร้อยหนึ่งนะตอนเย็นอีกร้อยหนึ่งว่าทง เหมือนใครเหมือนท่านนบีและบรรดา น, นบีที่มาก่อนหนะ้นานบีทั้งหมดเนี่ยจะอ่านดูอาบทนี้ทุกวันเป็นประจำดีที่สุดกันอาพูดไหมละนิลาฮิลลอหลอฮ์วาเดฮูลาชาลีกะละลาฮุลมุลกูวาลาฮุลฮามดูวาวาลาคุลลิชายินกอดีฮัดิษที่อะไร2837ดท่านอิหมาม อัลบานีรับรอหคดีของอิหม่ามติมีี้ามดูแลอ้อายสุดท้ายนะครับว่าแล้วรดุลมุเอมุมมิน آل ฟิรอาห์ักตัมุเอมานะอายาโคตรลูนารดุลน์อียกูลรับบีลลอฮ وَقَدْ ج َ ا ء َ ك ُ م ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِّ ن َ ا ت مِن رَبِّكُمْ وَإِيَّاكُمْ ك َ ا ِ ب َ ا فَعَلَيْهِ ك َ ذ ِ ب ُ وَإِيَّاكُمْ ص َ ا د ِ ق َ ي ي ُ ص ِ ي ب ُ ك ُ م ب َ ع ْ ض الَّذِي ي َ ع د ُ ك ُ م إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي م َ ن هُوَ مُصْرِفٌ كَذَابًا وقال رجل مؤمن من آل فرعون ي خ ت م إيمانه أقتلن ت و رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كذبم فعليك كذبه ว่าเอียกุซาริกย์รับคุ ي บางส่วนที่ยังดุคุณอินนัลลอฮะเลี้ยดีมันหัวมุสลิฟุกะอรยสุธาลมเดี๋ยวเรงนี้ดีมากครับรถยุรุนเวชายคนหนึ่งกอร่าได้พูดมุม من, ินผู้ศรัทธาชายที่เป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่ง อัลลอฮ์คนตั้งเยอะมีคนศรัทธานคนเดียวและคนศรัทธาคนนี้เป็นใครครับมินอาลีฟิร่าอนจากพวกพ้องอาลีบอกว่าพวกพ้องฟิราอนพวกพ้องของฟิร่าอุนี่อัลลอ์เล่าเลยมีชายผู้ศรัทธานคนหนึ่งที่เป็นญาติพี่น้องของฟิ um. รอไอมนใช่โผลมาคนหนึ่ง อีมานต่อพระแล้วคนนี้รู้เรื่องหมดเลยนะ่ะฟาโรห์คุยเรื่องอะไรว่าแผน อ, อะไรแล้วก็ยักตูมูเนี่ยล่อลอยเลยนะปิดบังยักตู้มูอีมาณอูปิดบังการศรัทธาของเขาไวา้ไม่ประกาศให้ใครรู้ อิมานอยู่ในใจใช่ไหมไม่ประกาศในใครรู้ได้ไหมได้ผิดไหมไม่ผิดอย่นี้เป็นต้นแ ล, ล้วรอดรับเลยนะร อ, อดชมนี่ร อ, อดเล่าเองนะมีพี่น้องญาติพี่น้องของฟาโร่คนหนึ่งในตำสิทธอธิบาวยไปว่าชื่อซัมานชื่อซัมานเป็นลูกของลุงของฟิลิปป์อ๋อลูกของลุง สิปกปิดอิมานเอาไว้นะแล้วมาทําไงครับมหานี่แหละขึ้นพูดอ่าขึ้นพูดต่อหน้านี่แหละต่อหน้าประชาชนต่อหน้าฟาโรต่อหน้าฮามานกอรูนพูดว่าไงรู้ไหมอาตักตุลูนอ่าแปลว่าหรือตักตุลูนท่านจะฆ่ารอยุลันชายคนหนึ่งคุณจะวางแผนฆ่าชายคนหนึ่งหมายถึงข้ากับมูซา คุณวางแผนฆ่าชายคนหนึ่งไอยากู่าที่เขาพูดว่ารับบีอัลลอ์อัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันนะ่ะเขาผิดอะไรเขาทำอะไรผิดเขากล่าวว่าอัลลอฮรับบีแค่นี้เองลรอขาเราหรอือมีเตือนใคร เพือนพวกเราวันนี้ถ้าเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์ถ้าเขากล่าวว่าอ AH ัลลอฮ์เราไปฆ่าเขาเขาตายชดเหตแล้วเอ็นตายอะไรอ่ะฆ่าไม่ต่อบาดตัวเอ็นตายแบบอะไรนะความกลัวมาจุกที่คอหอยเอาล่ะอันนี้เป็นตน้นวก็ดินเจอกุมบิลไปยนา แล้วก็ชายคนนี้มาถึง น, น บ, บีมูซาเนี่ยนำเอาหลักฐานอันชัดแจ้งมาหาพวกท่านจากพระผู้อาภิบาลของท่านเอากาแฟตอรอดมาด้วยอ่ะเอาคำสอนดีๆเยอะๆมามาสอนพวกคุณนะไปฆ่าเขาเหรอนี่วัรนี้นี่นะท่านอับูบักเคยเคยพูด มาสมัยนบีมุฮัมมัดนะนบีนี่กำลังยืนนมาดอยู่ที่กาบะอิสลามยังเริ่มเผยแพ่ใหม่ๆแล้วก็มีศัตรูของอิสลามเนี่เอาผ้ามารัดคอนบีนหายใจไม่ออกท่านอบับูุลบาบมามาประกาศอาตักตูลูนรอรุูลันคุณจะฆ่า ชายคนหนึ่งที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของฉันนะ่ะแล้วก็มูฮัมหมัดเนี่ยนำเอาความดีมาสอนนะคุณคุณฆ่าเขได้ยังไงก็ล้มเขาคนนี้มีสองครั้งนะสมัยมูซาอ้าญาติของฟาโรนีน่นะครับมาพูดว่าคุณจะฆ่ามูซาทําไมเขาเป็นผู้ชายที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ ในยุคนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันเอาบทชายภาษาหนี้เหมือนกันอตักตูรุนอร์ยูรันไอยากูแลรอมบียาลอคุณจะฆ่ามุฮัมมัดหรือเอาผ้ามารัดคอนบีแล้วพนังบูบ้ก็มามาห้ามาไว้มาผลักเอาไว้แล้วก็ก็ะปอดภัยนี่คุณอ่านนีกเตือนเราให้รู้ถ้าวันนี้ใครที่จะถูกถูกรังแกแล้วก็ต้องนึกนบีก็ถูกแล้ว แต่นบีให้อภัยไหมให้อภัยหมดเลยไม่เคยเอาเรื่องเนี่ยมารยาทงามมันนี้นะอำมาชานี่คืประจําวันนะครับฉะนั้นเขาด่าล้วอะไรบ้างปล่อยๆไปไปเนาะเอาต่อมาครับวิยาบุกาลิบันถ้าหากว่าสิ่งที่นบีมูซานํามาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกฟาอาไลฮิคาลิบุความโกหกนั้นเขาตกกับมูซา มันจะตัวกับคุณเขาค้เขาสอนก็สอนผิดนะความผิดก็ตัวกับคนที่สอนเอาต่อมาวัยยากรอดีก่อนถ้าเขาสอนแล้วเป็นเรื่องซอนนี่เป็นเรื่องจริงละอะยูซสิบุกุมบ้าบลลียให้ดกุมสิ่งที่เขาได้สัญญากับคุณไว้เช่นคุณทำดีจะได้รางวัลที่ดี แล้วก็ถ้าคุณทําชั่วจะได้ลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็แล้วคุณไปฆ่าเ้า่แล้วคุณก็ต้องรับทั้งหดเขาถ้าหากเขาสอนผิดความผิดก็ตกกับคนสอนถ้าเขาสอนดีแล้วคุณไปฆ่าเขาความผิดตกกับใครก็ตกกับคุณนั่นแหละฉะนั้นเลิกคิดเรื่องนี้อินนัลลอฮฺแท้จริงอนะัลลอฮฺนั้นละยาดีไม่ทรง แนะนำหรือไม่ทรงชี้นาไม่นําทางมันรู้ว่าผู้ที่มุสริฟผู้ที่ละเมิดใช้จะแบบฟุ้มเฟือยนะใช่ละเมิดชีวิตของเขาทําทํางานที่ผิดการาบุญการลาบมีลาบมีตัวลาบชัดเดียวนะการาแปลว่าจองโกหกโกหกตัวยมโกหกตัวฉกาจลฮามดุลิลา คุณร้ม ว, ว่าสอนศาสนาเรื่องดีไหมดีถ้าเขาสอนผิดรับผิดชอบถ้าเขาสอนถูกคุณไปด่าเขาไปฆ่าเขาความผิดตกหาตกหาคุณดังนั้นตองครูก็ต้องต้องเรียนอันธดีเยอะด้วยนะไม่ใช่สอนสอนสอนปกป้องดุดอาเอาไว้อย่างเดียวไม่ให้คนรู้รู้สุ น, นัขนี่ระวังให้ดีนะฉะนั้นความรู้ที่ผ่านนาบีเบเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัย จนกว่าจะถึงวันที่ยะมาอย่งนี้เป็นต้นอะไรที่มาได้มาจากน บ, บีนี่ยอย่าเอามาสอนเลยเป็น้อนครับมันไม่ถึงผลบุญกไ็ไม่มีเหนื่อยฟรีนี่ไงาวายยา ก, การิบันถ้าน บ, บีมูซาสอนผิดนาเรื่องโกหกมาฟอะไรฮีการบุความผิดความโกหกก็ตกกับคนที่สอนท่านคนที่สอนต้องต้องอ่านหนังสือเยอะหมดเวลาครับ s ah um ma, ika, il u, all all u al al b ا a n a h u wa bihamdika sholala i و صلى الله و لا محمد و على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين